222. สังคิกะจีวรุปปาทะกะถาว่าด้วยการให้จีวรเกิดขึ้นแก่สงเรื่องภิกษุรูปเดียวจำพรรษาสา3สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอยู่จำพรรษาผู้เดียวคนทั้งหลายในถิ่นนั้นได้ถวายจีวรด้วยกล่าวว่า พวกเราขอถวายแก่สงต่อมาภิกษุนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุมีสี่รูปเป็นอย่างน้อยชื่อว่าสงแต่เรามีผู้เดียวและคนเหล่านี้ได้ถวายจีวรด้วยกล่าวว่าพวกเราขอถวายแก่สงอย่ากระนั้นเลย เราพึงนำจีวรของสงเหล่านี้ไปกรุงสาวัตถีแล้วได้นำจีวรเหล่านั้นไปยังกรุงสาวัตถีได้กราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุจีวรเหล่านั้นเป็นของเธอผู้เดียวจนถึงคราวดอกกรถินภิกษุทั้งหลาย แต่ในกรณีนี้มีภิกษุจำพรรษารูปเดียวคนทั้งหลายในถิ่นนั้นได้ถวายจีวรด้วยกล่าวว่าพวกเราขอถวายแก่สงภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตจีวรเหล่านั้นแก่เธอรูปเดียวจนถึงคราวดอกกะถิน